พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสาวักที่สี่ชื่อราชวักคือวักว่าด้วยพระราชามีสิบสูตรพระสูตรแรกของวักที่สี่พระสูตรที่ส1เอ็ดของเล่มที่สิบสาคติการสูตรสูตรว่าด้วยช่างหม้อชื่อคติการะพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศล พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ูมใหญ่สเสด็จแวะจักทา ง, งทรงธรรมพระอาการยิ้มแย้มให้ปรากฏพระอนนท์กราบทูนถามถึงเหตุที่สงยิ้มจึงตรัสเล่าว่าในที่นี้เคยมีนิคมชื่อเวปะลิคะมั่งคั่งรุ่งเรืองมีคนมากมีมนุษย์เกลื่อนกลนพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยนิคมนี้อยู่อารามของพระองค์ ตั้งอยู่ณที่นี้พระองค์ประทับนั่งสั่งสอนภิกษุสงฆ์ในอารามนี้มีช่างม่อชื่อคติการะเป็นอุปถาก ค, คือผู้รับใช้ที่เลิศของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าช่างม่อมีมานพชื่อโชติปาระเป็นสหายรักช่างม่อชื่อคติการะชวนโ ช, นชนติปาละมานพ ไปเฝ้าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงสามครั้งมานพก็ตอบปฏิเสธจะมีประโยชน์อะไรที่เห็นสมณะศรีรษะล้นผู้นั้นจึงเปลี่ยนเป็นชวนให้เอาเชือกคลุกผงสำหรับถูตัวไปสู่แม่น้ำเพื่อสนานกายโชติปาละมานพก็รับคำเมื่อเห็นมานพไปสนานกายแล้วช่างหม้อชื่อคติการะ ก็ชวนไปเฝ้าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกอ้างว่าอารามอยู่ไม่ไกลโชติปาลมานพก็คัดคานเช่นเดิมถึงสามครั้งช่างม่อจึงจับเข็มขัดของมานพแล้วชวนอีกมานพก็คัดคานอีกคราวนี้ช่างม่อจับผมชวนอีกโชติปาลมานพนึกแปลกใจว่าตนสนานศีรษะแล้ว ช่างม่อซึ่งเป็นคนต่างชาติกันคือต่างวันนะมีวั น, นะต่ำกว่ากลับมาจับผมคงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจึงบอกให้ปล่อยผมแล้วชวนกันไปฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วโชติปาระมานพออกบวชส่วนช่างม่อจำเป็นต้องเลี้ยงมารดาบิดาผู้เสียจากสุคือตาบอดจึงไม่ได้ออกบวช ต่อมาพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนบปาอิสิ ป, ปตนะแขวงกรุงพาราณสีพระราชาแห่งแขวนกาสีพระนามว่ากิกิเสด็จไปเฝ้าสดับพระธรรมเทศนามีความเลื่อมใสทูลเชิญเสด็จเสวยพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ในวันรุ่งขึ้นและได้ทูลอารัธนาให้ทรงจำพรรษาตรัสปฏิเสธ ว่าทรงรับอารัธนาไว้ก่อนแล้วเมื่อพระราชาทูลถามว่ามีใครจะเป็นอุปถากยิ่งกว่าพระองค์หรือจึงตรัสพันนาคุณของช่างม่อชื่อคติการะซึ่งมีคุณธรรมและมีความใกล้ชิดคุ้นเคยพระเจ้ากิจมีความเลื่อมใสจึงตรัสให้ส่งข้าวสารแห่งข้าวสาลีซึ่งเกิดในดินเหลืองห้าร้อยหาบ พร้อมทั้งกับข้าวพอสมควรแก่ข้าวสารนั้นไปพระราชทานแต่ช่างหม้อไม่รับสั่งให้ถวายคืนตรัสสรุปแก่พระอานนท์ว่าพระองค์เองเป็นโชติปาลมานพในสมัยนั้นหมายเหตุการที่ช่างม้อคติการะไม่รับข้าวสาลีและกับอันมากมายนั้นเห็นว่าทําได้โดยไม่ผิด เพราะช่างม่อเป็นชาวโศนพระราชาเป็นชาวกาสีไม่ได้อยู่ในปกครองหรือเป็นผู้ปกครองกันถ้าอยู่ในแคว้นเดียวกันคงจะถือเป็นความผิดได้